2> BOOK <21. S> 2 <21. S 1> song. 2ยี่สิบอดการสนทนาสองอั a ทรัสโปเคลคุณมาจากไหนคะอิช u ูรมาจากบาเซลค่ะ บาเซลลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาเซลิสอิรัชวิตซารยยะดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะอร์เลสเตเปร์สตจิตยูมสปูนมเมลลิริมเขาเป็นคนต่างชาติยิสอิรัอุซิเนตส เขาพูดได้หลายภาษา Yes, k a l um b a k, l k e, e ą ą? l u m i s k a l b u m i s คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ a r j u p e r m a k a r t ą ไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะ n e j u p e r n i j u p r e j u a i s m e t i s v a o č i a แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะบติกสบคุณชอบที่นี่ไหมคะคมปปงะคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะลาเบปติงกะชและดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ กัมตัววัสดุสมัติปัดปะเถงก์คุณทางานอะไรคะ c a s t u s p r o f e s s i o s คุกยูสุโปรเฟสเซียดิฉันเป็นนักแปล Aswertius ดิฉันแปลหนังสือ Aswertius คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ Are you c h e v i o n u ไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยคะ่ะ Ne Monosmona Virustepatircha และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน Oden Abum Monovake